สรุปว่าให้สายใจในคําสอนให้ได้นะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะได้ละความประมาทที่เมียวิชาเป็นมูลถ้าคิดถึงคําสอนไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะเป็นความประมาทที่เมียวิชาเป็นมูลจริงๆเลยก็แต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะขอมาแนะนําให้ไปคิดเรื่องเทวทูตนะเล็ไรน ะ, ะตั้งอัตตาสัมมาปณิที่ไปเจริญเทวทูตกันแล้วกัน ถ้าพิจารณาโดยเทวทูตแล้วจักได้เทวทูตมีอะไรบ้างเทวทูตห้าม่ใช่หมหนึ่งหนึ่งคนแก่สองคนเจ็บสามคนตายสี่แล้วก็เด็กห้านักโทษนักโทษเลเทวทูตที่ที่เทวทูตสูตรนะไม่ใช่เทวทูตที่เจ้าชายสิทธัตถะเน่ยนะคนละเทวทูตกันเทวทูตห้าเทวทูตหาในทูตสูตรเป็นต้นเนี่ยนะหรือเทวทูตสูตรเนี่ย เธอให้มาคิดห้าอย่างเนี่ยเช่นเห็นคนแก่ก็พึงน้อมเข้ามาสู่กายนี่แหละ ว, ว่าคนแก่นะเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนนะเขาก็เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนท่านนั่นแหละอีกไม่นานานะท่านจะเป็นเหมือนข้าพเจ้าเนี่ยนะเขาบอกเราอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเทวทูตอย่างที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เห็นเทวทูตอย่างนี้ควรแล้วที่จะตั้งสมาทานประพฤติว่าเราจะต้องทําความดีด้วยกายวาจาใจให้ยิ่งไปกว่า น, นี้เนี่ยนะ ทีนี้ถ้าเห็นคนเจ็บปั๊บก็น้อมเข้ามาคนเจ็บเขาก็บอกเราว่าเมื่อก่อนเขาก็แข็งแรงเหมือนท่านนะแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าไม่ไหวแล้วว่างั้นอีกไม่นานท่านก็จะเหมือนข้าพเจ้าอันนี้ก็เทวทูตเรียกว่าคนเจ็บเขาบอกเราอนะกเทวทูตของเทวดานะบอกเลยอย่างที่สามถ้าคนตายเนี่ยะจันปิยาไปงานศพมาเนี่ยคนตายเขาก็บอกเรานะเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะข้าพเจ้าก็เหมือนท่านนั่นแหละอีกไม่นานท่านก็จะเหมือนข้าพเจ้านั่นนะท่านเทวทูตทูตเหล่านั้นคือคนตายก็บอก อย่างที่สี่เห็นเด็กนะเห็นเด็กนี่ก็บอกว่าเด็กก็บอกว่ า, กกวานี่นะข้าพเจ้าช่วยเหลือตัวข้าพเจ้าไม่ได้เลยเนี่ยเพราะโทษคือการเกิดท่านทั้งหลายถ้าท่านยังเกิดนะท่านก็จะมาเป็นเหมือนข้าพเจ้าจากน่องเกลือกกล้วด้วยอุจจาระและปัสสาวะอย่างนี้เลยเห็นไหมนะักแม้กระทั่งนักโทษนะถ้าเป็นโบราณก็จะมีให้เห็นบ่อยๆใช่ไหมสมัยนี้ก็มีแต่ข่าวจับยาบ้าเป็นต้นนะนักโทษทั้งหลายก็บอกว่า นี่นะข้าพเจ้าเมื่อก่อนก็เป็นอิสระเหมือนกับท่านทั้งหลายแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าก็ไรอิสระภาพใช่ไหมถ้าท่านทั้งหลายทําผิดพลาดก็จะเหมือนข้าพเจ้านะข้าพเจ้ามีร่างกายนะข้าพเจ้าจึงทาผิดพลาดท่านทั้งหลายก็ยังมีร่างกายท่านก็ยังมีโอกาสกันนะเพราะฉะนั้นควรแล้วที่ท่านจะทําความดีด้วยกายวาจาใจให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อันนี้เขาเรียกว่าเทวทูตนะถ้าคิดหยาบๆลักษณะนี้กรรมสกตาจะมี จะน้อมไปเพื่อเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเจริญกุศลธรรมอย่างนี้นะอย่างนี้รูปอันนี้ไหนี้ไม่ยากแล้วใช่ไหมอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนาเนี่ยนะถ้าอย่างนี้รูปก็คือกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตรูปสี่อันนี้เรียกว่าอย่างนี้รูปอย่างนี้ของรูปเนี่ยนะ มันต้องแตกทาลายเป็นธรรมดาแต่รูปที่แตกทาลายเป็นธรรมดาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเนี่ยนะแต่ละคนที่มานั่งอยู่ที่มีรูปประคันีเพราะอะไรมีจึงรูปประคันี่จึงมานั่งได้อวิชามีตัณหามีกรรมมีแล้วก็อาหารมีนะจึงมีแรงพลนั่งได้บ้างก็เพราะอาศัยอาหารใช่ไหมถ้าขาดอาหารมาสัก3ามมื้อมาแล้วเนี่ยนะ สงสัยจะนั่งแปลกกันานี้เยอะน่ก็อาหารมีแล้วก็นิพพัติลักษณะก็ที่ดํารงกันอยู่นี่แหละแต่ถ้าสินจจานนาส้นปัจจัยเหล่านั้นเหล่านั้นล่ะนันะถ้าสิ้นปัจจัยเหล่านั้นเหล่านั้นรูปทั้งหลายก็ก็ดับไปนันะมันก็พิจารณาเหตุเกิดความดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยการพิจารณาอย่างนี้แหละเพื่อกําจัดความประมาทที่มียวิชาเป็นมูลแต่ถ้าไม่คิดแบบนี้เลยนะ อวิชชาเป็นมูลอวิชชาเป็นมูลเนี่ยมันมากจนไม่รู้ว่ามีอวิชชาอาวิชามันปกปิดจนไม่รู้ว่าโอ้นี่กําลังอยู่ในโลกแห่งอวิชชานะอย่างแค่เรียกว่าเกิดมามันบอดมาตลอดเลยนะไม่รู้ว่าสว่างมันเป็นยังไงใช่ไหมก็เลยนึกว่าโลกมันไม่มีอะไรมากดักใช่ไหมเพราะมันเกิดมามันบอดสนิทมาตลอดฉั้นใดคู่ที่เกิดมาไม่มีปัญญาโดยเฉพาะ ก, กรกรมสกต า, กาปัญญาวิปัสสนาปัญญา ไม่มีการเจริญปัญญาเหล่านี้เลยเนี่ยมันสว่างจะมีมาจากไหนเนี่ยนะอย่างที่เราลืมตามมองเห็นธรรมดาเนี่ยเราบอดตรงไหนเราโง่ตรงไหนเราพูดได้ไหมเราไม่รู้อะไรไม่กล้าพูดเลยใช่ไหมลืมตามมองเห็นธรรมดาเนี่ยนะก็นี้ขันห้านะก็กดคิดอนักขันห้าแล้วเราโง่ตรงไหนอ่ะถ้าไม่เข้าใจในคำสอนโดยโดยประการต่างๆนะเราจะไม่รู้เลยว่าเรากาลังอยู่ในห้วงแห่ง อวิชชาหรืออวิโชคะมันปกปิดไว้ตลอดเลยนั้นความประมาทที่มีอวิชชาเป็นมูลเนี่ยนะไอ้ความประมาทอันนี้แหละมันสนิทมากๆเลยนะมันมันสนิทจริงๆถ้าเป็นอะไรก็เป็นแบบฝากเกลียวปิดขำอย่างดีเลยนะส่วนความประมาทที่มีตันหาเป็นมูลความประมาทที่มีตันหาเป็นมูลมีสาอย่างหนึ่งบุคคลผู้สแสวงหาเพื่อยังโภคะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นก็ย่อมถึงความประมาทใช่ไหม ช่วงสแสวงหาโภคาเนี่ยนะโดยมากก็ประมาทคําว่าประมาทในที่นี้หมายถึงไม่เจริญกุศลนะันิยามของคําว่าประมาทคือไม่ยอมเจริญกุศลนั่นแหละเรียกว่าประมาทมันกิจกรรมระหว่างสแสวงหาทรัพย์นี่ก็ยากนะที่จะเป็นกุศลเนี่ยนะนะขณะที่ทํางานอยู่เต็มที่เลยนะมุ่นกับการทํางานเลยนะกุศ ล, ลจิตเกิดไหมน้อยไม่กี่คนหรอกเนะนะี่ย ก็อย่างที่ไม่กี่คนเน่ยนะ ท, ที่เจริญกุศลไปด้วยวันนี้ยังนั่งชมคุณไพฑูรย์มาเลยว่าเขามีอาชีพประกอบอาชีพควบคู่กับการฟังธรรมเออมีอยู่ไม่กี่คนหล่กฟังธรรมไปด้วยประกอบอาชีพไปด้วยอยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละ น, นะมีไม่มากแต่รู้ว่าพอมีแต่ว่ามีไม่มาก น, นะแต่ว่าโดยมากในช่วงสแสวงหาท ร, รัพย์นนะอู้ช่วงนี้ผมยุ่งจริงเลยไม่ได้ฟังธรรมเลยคำนั้น โดยมากก็จะกล่าวแต่แบบนั้น น, นนะงานรักตัวมากกว่ากันอันในสแสวงหาทรัพย์นี่ก็ลักษณะที่ทําให้ประมาทอย่างหนึ่งสองบุคคลย่อมถึงความประมาทอันมีการรักษาเป็นเหตุเนี่ย น, นะในระหว่างรักษาทรัพย์มันนะก็หลายๆท่านที่มีทรัพย์เนี่ยระหว่างรักษาทรัพย์นี่ก็กุศลจิตเกิดยอดนะนะในนี้ก็มีผู้การเป็นตัวอย่างให้ดูนะระหว่างรักษาทรัพย์เนี่ยนะ เช่นรักระหว่างรักษารีสอร์ทอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าความประมาทที่มีการรักษาเป็นมูลนี้ต่อไปความประมาทอันมีการบริโภคเป็นมูลแห่งโภคาทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะช่วงไหนช่วงช้อปปิ้งเป็นต้นเนี่ยนะช่วงจ่ายตลาดช่วงมีความสุขกับการกินเลี้ยงเป็นต้นเนี่ยช่วงนี้ก็ประมาทในกระหลกหวังบริโภคสรุปตอนสแสวงหาก็ประมาทตอนได้มาแล้วรักษาก็ประมาท ตอนใช้สอยอีกก็ประมาทดูว่ามื้อเที่ยงนี้ใครจะประเวกบ้าง น, นะสรุปว่าความประมาทในโลกนี้มีส่อย่างสี่อย่างก็คือมียวิชาเป็นมนึงมีตันหาเป็นมูส3เนี่ยนะบรรดาอาวิชาและตันหาซึ่งเป็นเหตุแห่งความประมาทเหล่านั้นนามกายหมู่นามธรรมเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ของอวิชารู ป, ปรกายคือหมูรูปเนี่ยเป็นประทัฐานของตันหา ถามว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าความติดใจย่อมมีในรูปประธรรมความหลงย่อมมีในนามธรรมเนี่ยนะในสองอย่างนั้นรู ป, ปกายได้แก่รู ป, ปขันนามกายได้แก่นามขันศีขันห้าเหล่านี้เป็นไปพร้อมด้วยความยึดมั่นด้วยอุปาทานนะหรืออีกในหนึ่งเ็าบอกว่าขันที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานขันที่มีอุปาทานเป็นปัจจัยเนี่ยนะ ขันห้าเหล่านี้เป็นไปพร้อมกับด้วยอุปาด้วยอุปาทานอะไรต่อว่าด้วยตันหากับอวิชชาใน2 อ, อย่างนั้นตันหามีสองอุปาทานหรือไ ด, ได้ได้อุปาทานสองคือกามุปาทานกับเีลพัตุปาทานอวิชามีสอ ง, อ, งอุปาทานคือเทถุปาทานกับอัตวาทุปาทานขันเหล่าใดเป็นไปพร้อมด้วยความยึดมั่นด้วยอุปาทาน4เหล่านี้ขันเหล่านี้เป็นพุกขาริยสัตว์เนี่ย ตัณหาและวิชาเหล่าใดเป็นอุปาทานสี่ตัณหาและวิชาเหล่านั้นชื่อว่าสมุทัยสัตว์คือเป็นเหตุให้เกิดทุกขันห้าเป็นทุกขพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมไม่ใช่แสดงคำนะพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมเพื่อการกำหนดรู้ทุกขใช่ไหมเพื่อละเพื่อการกำหนดรู้และเพื่อละขันห้าเหล่านั้นสรุปว่าทรงแสดงธรรมเพื่อการกาหนดรู้ทุกขเพื่อการละสมุทัย แก้นะนะใครที่ยังไม่แก้ก็เปลี่ยนเป็นแสดงคำนะไม่ใช่แสดงคำย้อนมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าความประมาทเนี่ยนะความประมาทนี่มีสี่ประการนะไม่ในโลกนี้นะคนที่ประมาทประมาทในโลกนี้ไม่เกินสี่อย่างนี่หรอกหนึ่งประมาทเพราะวิชาเป็นมูลประมาทเพราะวิชานี่แปลเป็นภาษาไทยว่าโง่อย่างเดียวเนี่ยนะ ส่วนประมาทเพราะตันหาในโลกนี้เขาไม่เรียกว่าประมาทนะถ้าถ้ามีสามตันหาเนี่ยนะถ้าเป็นไปกับตันหาสามหลังเนี่ยในชาวโลกเขาไม่เรียกว่าประมาทใครขยันหาทรัพย์เนี่ยเขาเรียกว่าคนประมาทไหมโอ้ยเขาชมมากเลยนะแล้วใครที่ดูดูกำลังดูแลรักษาทรัพย์เป็นอย่างดีเขาก็ไม่เรียกว่าคนประมาทคนนี้เรียกรอบครอบนะคนที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์ได้อย่างเรียบร้อยนะในโลกนี้เขาเรียกว่าคนรอบคอบ ใครที่ใช้จ่ายเป็นเนี่ยนะใช้จ่ายอย่างอดออมประหยัดเป็นละเอียดพิถีพิถันในการใช้จ่ายนี่เขาก็ชมอีกในโลกนี้นะอันนี้ธรรมะนี่ทวนกระแสะโลกกี่องศาดีกลับหลังหันลักษณะนั้นเลยนะมันลักษณะกลับหลังหันเลยอ่ะ <c oughs> ก็หนึ่งนะอ้ใครขยันธรรมะกนมินก็ชมกันดังนั้นอย่างไหมธรรมะบอกประมาทเฉยเลยนะ มีหน้าบางยุบางสมัยก็บอกท่านยําเอาธรรมะประเภทนี้มาสอนก็ว่างั้นทําให้โลกไม่เจริญก็ว่างั้นก็มีนักวิจัยชาวต่างประเทศก็บอกประเทศไทยเนี่ยนะพวกคนชาวภาคอีสานเนี่ยปฏิบัติธรรมะมากก็พวกนั้นก็เลยประเทศแถวนั้นเลยไม่ค่อยเจริญก็ว่างั้นเขาว่างั้นนะฝรั่งเขาพูดนะครับกราบเรียนให้ท่านอธิบายตรงนี้หน่อยครับท่านแสดงว่า ตันหานี้เป็นอุปาทานสองคือการมุปาทานกับสี ร, ประปตุปาทานส่วนอวิชาก็เป็นทิฏฐุปาทานกับอัตวารุปาทานอุปทาปทานสี่นี่เป็นโลภะกับทิฏฐิแต่ทําไมท่านสงเคราะห์ว่าตันหานี้เป็นสีระปตปรตาปรมาด้วยซึ่งสีระปตปรามาดนี่าจะเป็นทิฏฐิ ค, คอคนันนั้นเรียกว่ากล่าวโดยองค์ธรรมเนี่ยไงคือ อวิชากับตันหาเนี่ยนะอวิชาเนี่ยเป็นได้สองอุปาทานใช่ไหมคือทิฏฐุปาทานกับอัตวาทุปาทานส่วนตันหามีสองอุปาทานคือกามุปาทานกับสีละพัตโตปาทานกามุปาทานเป็นตันหาตรงๆก็ไม่น่าสงสัยใช่ไหมเพราะมันเป็นความยึดด้วยอำนาจตันหาแต่สีละพัตโตปาทานเนี่ยนะทำไมจึงตัวเขาเองเป็นทิฏฐิแต่เป็นทิฏฐิที่พันกับตันหาอย่างยิ่ง พวกที่ประพฤติศีลทศทั้งหลายรักษาแบบศีลวัดโควัดทั้งหลายเนี่ยเขาทําไปทําไมอย่างแม้กระทั่งชดินสามพี่น้องเนี่ยนะอุรุเวและกัสปนะนาธีกัสปะขยากัสปะพร้อมทั้งบริวารของเขาเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาอาบน้ำเนี่ยนะเขาย่างตัวให้มันร้อนก่อนใช่ไหมแล้วก็ลงไปอาบน้ําล้างบาปอาบน้ําก็ขึ้นมาย่างผิงไฟต่อแล้วก็ลงไปอาบน้ ำ, ลนน แ, ลลนำแล้วก็วิธีดําล้างบาปของเขาเนี่ย มีแบบมุดลงไปแล้วก็โผลกี่เมตรระยะอะไรของเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ของเขาในนั้นเยอะแยะหมดเลยวิธีมุดน้ําต้องมุดยังไงอะไรยังไงจะได้ล้างบาปได้นั่นถามว่าที่อุรุเวละกะัสะปะเป็นต้นเนี่ยใช้วิธีย่างกิเลสกับอาบน้ําล้างบาปทําเพื่ออะไรท่านอุรุเวละกัสะปะท่านบอกเองเลยว่ายําทั้งหลายสนรเสริญรูปเสียงและสตรีเนี่ยนี ที่ทําอย่างนั้นเนี่ยจะได้บริโภครูปสวยๆคือหลังจากตายไปแล้วเนี่ยนะก็จะมีบริบูรณ์ด้วยรูปบริบูรณ์ด้วยเสียงบริบูรณ์ด้วยสตรีเป็นต้น น, นั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่เขาหวังเนี่ยนะไอ้ที่ไปทําแทบเป็นแทบตายเนี่ยไม่ได้ต้องการอย่างนั้นหรอกแต่ต้องการความสุขทั้งหลายในสวรรค์เพราะฉะนั้นศีลและพระตูปาทานนั้นจึงนับเนื่องในกลุ่มตันหาเนี่ยนะเป็นกิจกรรมที่สนองตันหาตรงๆเลยเอ่ะนะก็คือ ไอ้ที่ทำทำทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับอะไรเนีเหมือนกับทําบางอย่างเส้นวงสวงทั้งหลายและเนี่ยนะไอ้ที่เขาเส้นสวงทั้งหมดจริงๆเขาขออะไรบ้างไห้ฟังเขาเนี่ยไอข้ขมบขมิดขมบขมเบ็ดดีนะแปลออกมาเนี่ยนะขมบขมเบขอทั้งนั้นแหละขอให้ลูกให้ล้านบานั่งมีซีซุกยูดีกินดีอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะขอสารพัดขออยู่ในนั้นนะท่านถึงทํากิจกรรมเหล่านั้นเหล่านั้นเดือดร้อนขนาดไหนก็คือต้องการขอวัตถุกรรมท่านการมุปปาทานกับศีลพัะตุปปาทานเนี่ยจึงกลุ่มเดียวกัน เพื่อสนองการมาตัญหาเหมือนกันไม่ได้ต่างอะไรกันก็ไปเที่ยวาถามถามดูนะใครที่ปฏิบัติเคร่งคัดอะไรไปเลยเนี่ยนะท่านเห็นโทษในวัตตะจริงหรือท่านต้องการออกจากวัตตะจริงๆหรือท่านจริงมาทำตัวโธรมานเนี่ยนะโดยที่สุดที่เขาถามอ่ะนะเขถามอย่างอ่ะนะไอ้คำว่าศีลพัตูปารทานเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยอำนาจทิฐิแต่นี้จะเปรียบให้ฟัง ว่าแม้แต่คนที่เจริญกุศลเนี่ยนะก็ยังเจริญกุศลที่น้อมไปด้วยอำนาจตัะหาสมัยพุทธกาลเนียนางวิสาขาเขาเข้าไปรักษาอุโบโสถที่วัดก็ไปถามสตรีรุ่นรุ่นะถามสตรีวัยกลางคนแล้วก็ถามสตรีวัยปัตชิมวัยและวกวัยสุดท้ายก็ถามรุ่นรุ่น น, นะแม่หนูทั้งหลายมารักษาสาอุโบโสถกรรเนี่ยปรารถนาอะไร เมนูทั้งหลายเหล่านั้นก็ตอบว่าขอให้เขาเนี่ยไปสู่บ้านตตกสามีเนี่ยตั้งแต่ยังสาวๆแล้วขอให้มีลูกชามีลูกคนแรกเป็นลูกชายานะ น, นี่ก็กลุ่มวัยต้นเนี่ยนะที่เขามารักษาอุโบสถอดข้าวเย็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะทีนี้พวกที่สองพวกที่สองก็บอกว่าแม่เจ้าท่านทั้งหลายเนี่ยนะคุณแม่ทั้งหลายที่มารักษาศีลเนี่ยปรารถนาอะไรปรารถนาไม่อยากเป็นเมียหลวงไม่ต้องการเป็นเมียหลวง แต่ว่าอะไรก็คืออยากให้มีให้สามีของตัวเนี่ยรักตัวใจเดียวว่างั้นเถอะไม่ต้องการตําแหน่งเมียหลวงทั้งนั้นแหละก็คือขอเป็นเมียเดียวเนี่ยนะไม่ใช่หลวงไม่ใช่น้อยจะไม่เมียเดียวเนี่ยนะก็พวกนี้เขาต้องการแบบนี้เรียกวัยวัยปานกลางเนี่ยเดี๋ยวสามีไปมีเมียน้อยเขาก็เลยขออันนี้ไหมพวกที่สก็วัยปานกลางเออวัยสุดท้ายก็อบอกว่าก็หวังว่าชาติหน้าจะไปสวรรค์ก็ว่างั้น มีใครรักษาจะออกจากมหาพูดบ้างไม่มีรักษาเพื่อมหาพูดทั้งนั้นเลยนะอันนี้โดยที่สุดแม้แต่เจริญกุศลยังเป็นอย่างนี้จะกล่าวไปยายถึงลัทธิที่ทําด้วยมิจฉาทิฏฐิเป็นตัดใจจะไม่ต้องการมหาพูดจะไม่ต้องการกามเล่าเหมือนกันเพราะนั้นกิจกรรมที่ที่ทำด้วยศีลพรตูปปาทานศีลวัดโควัดทั้งหลายแหละพวกนี้จึงต้องการวัตถุกรรมทั้งหมดเนี่ นั้นกลุ่มที่จะออกจากกามออกจากมหาพูดอะไรจริงๆเนี่ยมีไม่มากนะครับส่วนอวิชชาเนี่ยนะกลุ่มที่ถู ป, ปาทานที่ทีิบสนี่ก็เพราะอาวิชชาเพราะความไม่รู้ใช่ไหมอัตวาทู ป, ปาทานที่สําคัญว่าเป็นอัตานี่ก็เพราะก็ข้อความไม่รู้นั่นแหละจึงสําคัญผิดเนี่ยนะจึงสําคัญผิดก็ด้วยอํานาจอวิชชาที่บอกว่าตันหาเนี่ยเกิดในรู ป, ปกายใช่ไหม ตันหาเนี่ยถ้าชอบชอบรูปปัจยอวิชชาเนี่ยที่หลงไหลหลงไหลในนามกายคำว่ารูปปัจยในที่นี้หมายถึงรูปปขันธ์หรือรู ป, ปรธรรมอัตถกถาท่านบอกว่าตัวตันหาเนี่ยนะมันธรรมชาติที่ติดใจในรูปรูปในที่นี้หมายความว่ายังเรียกว่ายังความยินดีให้เกิดในรูปของกันและกันระหว่างหญิงและชาย ชายก็ชอบรูปหญิงหญิงก็ชอบรูปชายใช่ไหมดูกวามพิสูจทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นรูปอื่นแม้รูปหนึ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความ น, นะความกำหนัดความยินดีความติดใจความลุ่มหลงเนี่ยนะของชายเนี่ยเท่ากับรูปหญิงไม่มีแล้วก็รูปเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินสําหรับหญิงกว่ารูปชายก็ไม่มีทั้นพอผู้ที่ชอบใจในรูปประธรรมของอีกฝ่ายกับอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยทําให้วัตะเนี่ยมันยาว มันตัณหาเนี่ยหาดูได้จากความเพลดิดเพลินในวัตถุกรรมท่านวัตถุกรรมเนี่ยนะหรือรูปประคันทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาส่วนอวิชชาที่ลหลงไหลเนี่ยปกติอวิชชาเนี่ยลหลงไหลในอะไรก็ลหลงไหลในนามธรรมมีภาษะเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ลหลงไหลจริงๆเลยเนี่มัน อย่างในโลกของรู ป, ปรธรรมนะในทวารหกเนี่ยนึกออกไม่ค่อยยากใช่ไหมเช่นลืมตาเห็นปั๊บเราก็วัตถุเหล่านี้ก็น่าชอบเลยแต่โลกของนามธรรมที่เข้าไปรับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยถามว่าเรามองเห็นไหมมีปัญญาอย่างถึงนามธรรมในทวารหกเหล่านี้ไหมเห็นว่าเออนี่ภาษานะภโสโหตีเวทนาโหตีสัญญาโหตี โอ้นี่เวทนานี่ภาษานะนี่เวทนานี้สัญญานี้สังขาร น, นี้จิตอย่างเงี้ยนะเห็นไหมอาศัยจากครูกับรูปเกิดจากครูวิญญาณธรรมะสมอย่างประชุมกันเป็นภาษะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเนี่ยนะถ้าไม่ไล่สูตรนั้นนึกไม่ออกเลยเออมีด้วยเหรอนามธรรมอย่างเงี้ยเพราะนั้นนามธรรมทั้งหลายนี่จึงเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลเพราะนั hang, ้นวัตถุแห่งตัณหาอยู่ที่รูปรธรรม hang, วัตถุแห่งอวิชชาอยู่ที่ นามธรรมมันมูสตัตทั้งหลายเนี่ยเพลิดเพลินในรูปธรรมหลงไหลในนามธรรมาวัตตะมันจึงยาวเห็นไหมเพราะทั้งรูปทั้งนามสรุปก็คือขันห้าขันห้าเหล่านี้เนี่ยเป็นอุปาทานขันที่เป็นอุปาทานขันเพราะบางส่วนเกิดจากตันหาและอุปาทานขันใดก็ตามที่มีตันหาและอุปาทานสร้างขึ้นขันเหล่านั้นเรียกว่า อุปาทานนักขัหมายถึงวิบากและกรรมชัรูปวิบากกรรมชัรูปเนี่ยตัณหาอาวิชชาเนี่ยสร้างขึ้นก็เพราะอาวิชชาเกิดรูปจึงเกิดใช่เพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะฉะนั้นไอ้รูปที่ใดที่มีอวิชชาตัณหากรรมสร้างขึ้นอันนั้นก็เป็นอุปาทานนักขัหรือนามขันก็เหมือนกัน หรืออีกในหนึ่งคำว่าอุปาทานนักขัแปลว่าขันที่เป็นอารมณ์ของตัณหาและอุปาทานหมายความว่าขันเหล่านั้นตัณหาอุปาทานเข้าไปติดเข้าไปคล้องเข้าไปเปลิดเปลิน เ, เข้าไปยินดีอย่างยิ่งอย่างที่สขันที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทานน น, นขันเหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปปัจจัยแก่อุปาทานเลยเรียกว่าอุปาทา น, นัขันมันก็คง จำอัด3ประการไว้คร่าวๆนะความหมาย3อย่างนะจได้ไหมหนึ่งอุปาทานขันเหมือนเกิดจากตัณหาเนี่ยอตัณหาอุปาทานสร้างขึ้นเรียกว่าอุปาทานขันข้อแรกนะขออ้อสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์ของอุปาทานเลยเรียกว่าอุปาทานขันสตัวตัดใจของ อุปาทานสิ่งใดที่เป็นตัดใ จ, จให้เกิดอุปาทานสิ่งนั้นเรียกว่าอุปาทานขันถ้าอย่างวิเคราะห์ที่หนึ่งเนี่ยนะเกิดจากอุปาทานอันนี้ก็หมายถึงอะไรวิบากกับกรร ม, มชรูปสองตัวเนี่ย น, นี้ชัดเจนเลยใช่ไหมว่าเป็นผลของตัญหาอวิชชาในอดีต ทำให้เกิดวิบากและกรรมมรรคอย่างที่สองวิเคราะห์ที่สองเนี่ยนะว่าอะไรก็ตามที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสิ่งนั้นทั้งหมดเรียกว่าอุปาทานนขันอย่างแว่นตานาฬิกาทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็เรียกว่าอุปาทานนขันเพราะเป็นอารมณ์ของอุปาทานอย่างที่สามเป็นปัจจัยแก่อุปาทาน ตัดแกอุปาทานเช่นขณะนั้นเนี่ยไม่เกิดหรอกเช่นขณะที่กุศลจิตเกิดเนี่ยกุศลจิตเกิดเกิดจากอุปาทานัหมไม่เกิดมีอุปาทานเป็นอารมณ์ของอุปาทานไ้ยขณะนั้นไม่เป็นแต่กุศลเหล่านั้นเป็นปัดจจัยต่อไปแกอุปาทานไหมเป็นเนี่ยนะเพราะนันก็เรียกว่าขันที่เป็นปั จ, จัยแกอุปาทาน เป็นปัจจัยเนี่ยตัวปัจจัยในที่นี้หมายถึงอุปนิสัยปัจจัยเป็นอุปนิสัยที่สำคัญแก่อุปาทานอย่างคิดง่ายๆอนี้ก็ได้ว่าเรามีเพื่อนอยู่สี่ห้าคนเนี่ยนะกำลังคุยกับเพื่อนหนึ่งคนอยู่ในวงสี่ห้าคนกับตอนคุยกันสองต่อสองเนี่ยแตกต่างกันหมเห็นไหม ขณะนั้นเนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะการเกิดขึ้นของสภาพจิตในขณะนั้นนั้นเนี่ยต่างกันทั้งๆที่เรากําลังมนสิการกันแค่สองคนแต่มีสิ่งแวดล้อมอยู่หลายๆคนกับเดี่ยวกับเดี่ยวเนี่ยนะก็ความรู้สึกเป็นต้นก็แตกต่างกันบางอย่างในฐานะเป็นปัจจัยที่เรียกว่าอุปนิสัยปัจจัยนั่นเองเนี่ยนะก็คงพอสรุปการศึกษาคําสอนได้ว่าเป็นการวิเคราะห์ชีวิตโดยปัจการต่างๆ ใครที่เป็นนักวิจัยเรื่องชีวิตของตัวเองอยู่แล้วนะเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยจะได้รับประโยชน์มากเนี่ยนะเพราะว่าเป็นความรู้ที่ทำให้เราวิเคราะห์ชีวิตของเราเองโดยประการต่างๆเนี่ยนะเพื่อชำรกตันหากับอวิชชาออกไปสรุปว่าอารมณ์ของตันหาอุปาทานทุกชนิดคือทุกขสัต์ตัวตันหากับอุปาทานเป็นสมุทัยสัตว์เนี่ยนะ พระพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งหมดก็เพื่อให้กําหนดรู้ทุกจะได้ละสมุทัยกําหนดรู้ก็ด้วยปริญญาสองเนี่ยนะกำหนดรู้ทุกด้วยปริญญาสองคือยาตะปริญญากับตีรณปริญญาละสมุทัยด้วยปหานะปริญญาเนี่ยนะในสองอย่างเหล่านั้นความประมาทที่มีตันหาเป็นมูลซึ่งมีสามประการนั้นนะนะ ย่อมแสวงหาเพื่อยังโภค่าทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นย่อมทําการย่อมกระทําซึ่งการรักษาโภค่าทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วและย่อมมีเหตุแห่งการบริโภคหมายคาอว่าบริโภคโภค่าก็เลยเกิดความประมาทในขณะนั้นเนี่ยนะการรักษาความรู้ของตนการทําลายความประมาทย่อมมีด้วยการแทงตลอดความประมาทนั้นอันนี้เป็นลักษณะของสมถะ อันนี้กำลังเชื่อมโยงมหาสมมตฐแล้วนะว่าที่จะทำลายหรือจะละความประมาทได้เนี่ยนะจะต้องให้มีความรู้ขึ้นเมื่อมีความรู้แล้วรู้แจ้งแทงตลอดสภาวะของความประมาทอันนี้แหละเป็นสมถฐอันนี้เป็นการเริ่มพลิกแล้วใช่ไหมพูดอากุศลอยู่ดีๆแล้วพลิกมหากุศลอันนี้แหละเป็นลักษณะอาวัตถะระว่า การรักษาความรู้ของตนการทำลายความประมาทย่อมมีได้ด้วยการแทงตลอดสภาพความประมาทอันนั้นอันนี้เป็นสมถะพลิกจากอกุศลมาเป็นกุศลอวัตตะแล้วนะ